เป็นคนที่มีสติปัญญาทำไมใจจึงไปปรารถนาไปชอบมันจะต้องเกิดปัญญาสิ่นภายในพิจารณาตามเต็มทิ่ของมันว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างนั้นถึงไม่เสกสรรสั่นยอขึ้นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเสกสรรสัญญยอขนาดไหนมันก็ไม่มีอะไรที่จะหอมหวนชวนดมที่จะสวยสดงดงาม เราบ้าเราบอเรามืดเราบอดใส่หลงของเน่าของเหม็นของโสกโปกว่าเป็นของสวยของงามมันมีปัญญาเกิดขึ้นภายในทีเจนากายท้องตัวให้ถั่วเท่านั้นท่านก็เรียกว่าโรคบาิทูทางศาสนาเพราะสัตว์ยี่ลลมหายตายไปจะ มากน้อยขนาดไหนในอดีตมันก็เหมือนกันกับตัวของเราปัจจุบันอนาคตที่จะมาก่อภพก่อชาติเกิดอีกมันก็เป็นอย่างเดียวกันมันไม่มีอะไรที่แตกแตก ต, ต่างกันตัวของเราปัจจุบันตกตะปกโสมอมอย่างไรมีทุกข์ภัยขนาดไหนสัต์อื่นที่ล่วงไปด้วยยังไม่ถึงก็ทำนองเดียวกัน ไม่มีอะไรที่จะปิดบังอัมพังปัญญาภายในมองไปทางหน้ามองทินทางหลังมันทั่วถึงกันหมดพอดูปัจจุบันเห็นปัจจุบัน <S <S ก็เลยหมดสงสัยไม่มีอะไรที่จะติดจะกล้องราคะสิ่นเคยกำหนัดยินดีปัญหาสิ่นเคยอยาก อย่างนั้นอย่างนี้มันก็หมดไปเพราะปัญญาขับไล่ความสงสัยข้องใจให้ขาดกระเด็นศกออกไปไมาอย่างนั้นมันไม่มีวันที่จะสงบลังับที่จะดับีิเลตจัญหาได้ถึงอายุจะมากขนาดไหนความห่วงใยยึดถือติงต่างๆมันยังมีมันไปไห่ได้ ทางายแก่ใจมันก็วุงไปคิดไปปิดข้องเสาหมองเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆฉะนั้นการที่เจอนาทางธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสัตว์เอาไว้ว่าโลกาวิธูนั้นคือทาราบธาตุขันธ์ของทัวตามจริงๆคนอื่นสัตย์อื่นในอดีตหรือจะมาถึงในข้างหน้าเอยว่อนาคตมันเหมือนกันหมด ไม่มีอะไรที่จะสงสัยนี่คือโลกวิถูกว่องใจไม่หลงไหลไปสถานที่ใดก็ไปเ ถ, ถอะซึ่งเสื่วรูปก็รับเค่รูปเท่านั้นมันเกิดขึ้นจะต้องแปลปวนเปลี่ยนแปลงและแตกหลายตาหน้าที่ของมันเสียงก็เหมือนกันดินลดสามผัดก็เหมือนกันไม่มีอะไร ที่จะลหลงไหลฝ่ฝังที่จะติดข้อนี่คือปัญญาปัญญาเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากที่ไหนนอกจากเกิดจากกายจากใจของตัวนอกจากเกิดจากการกระทํามบำเพ็ญของตัวไม่ใช่ว่าเราไปได้ปัญญาไปหาไปกวู้เอาปัญญามาจากที่นั้นที่นี้ ถ้าหาวันนี้ที่ก่อภวยเอาได้อย่างนั้นก็ไม่ควรที่จะมาฝึกหัดปฏิบัติให้ลำบากยางเย็นกันปัญญามันมีอยู่ที่นั้นต่างท่านต่างคนที่ต้องการปัญญาก็ไปหาบไปแดกออกมาแล้วก็รักษาใจท่องตัวที่ชั่วขี่เสี้ยต่งตางๆให้หายไปใจที่เหยียดร้อนวุ่นวายก็หายไปเบาสบายใจที่ <c oughs> ความเรวุ่นวายต่งงางๆก็สงบเขา้าเพราะปัญญาเราได้แบกมาแล้วถามมาแล้วหอบมาแล้วเหงมาแล้วนี่ไม่มีปัญญาอย่างนั้นไม่มีปัญญามีเพราะการที่เจนมาอัดคำคำสอนของพุทธเจ้าพึกอบรมกายใจทั้งสอมันกําหนดที่นิติเจนมา สังแข็งหล่งางใจให้รู้ให้ตามเป็นจริงของมันเมื่อรู้ทั่วเรื่องของตัวแล้วมันก็เป็นโลกกับวิถูรู้แจ้งโลกมันมีอะไรผูกติดทำบังเอาไว้นี่คือการฝึกหัดอบรมใจใจที่ฝึกได้อบรมได้มันเย็นมันสบายมันมีคุณค่ามันมีสาระ มันปเปรศมันวิเศษถึงจะไปซื้อไปขายที่ไหนไม่ได้กว่าตาแต่ตัวบของท่านก็ไม่เคยยากในจิตในใจแต่เรามีปัญญามากจะเอาไปขายที่นั้นจะเอาไปขายที่นี้นไม่เคยมีความอยากสิสั่งๆมันหมดไปความวุ่นวายท้องใจมันตกมันขาดนี่คือ การอบรมการแตรทมการฝึกสอนจิตใจท่องตัวเดี๋วรเราจะฝึกษายจะพิจารณาจะฝึกสอนจะแตรรมการใดสมัยใดพระพุทธเจา้าในธรรมะแปดหมื่นสี่พันธรรมะขันไม่ไดสนนส้สอนคนตายสอนคนเจนเท่านั้นผู้ที่จะปฏิบัติเกื่อมาเกื้อผลก็คือคนที่ยังมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่ว่าคนตายแล้วไปสอนให้มันดีมันดีมันมีสศิปัญญาถ้านเนสอนอย่างนั้นตัวของท่านก็เคยจะ ท, ำทํำบาเพ็ญมาอย่างนั้นรู้เห็นเป็นขึ้นในเหน่อชีวิตยังอยู่ไม่ใช่ว่าท่านตายแล้วจึงจะบริสุทธิ์ท่านตายแล้วจึงจะเป็นยมุทนิพพานแต่จะมีชีวิตอยู่ตามีหูมี เมืยนพวกเราใ่ไม่เป็นพิษเป็นไท่ใจมีเหม้ยนพวกเราใจ่มีว่าวุ่นขุนมัวปลุกสงบล้าบดับที่เลือดได้เราจะคอยคอยในตายเส้าก่อนจึงไใดหลูกล้างเล้นหยาดนิดเพราททำบุญแหามันโง่หรือมันฉลาดคิดแบบนั้นเราจะต้องทำเอาสิ่งที่เราปาชนะ ทาเอาเสียอย่าไปอ่างการอ่างเวลาขาดน้้นขาดนี้วันน้ำเชื่อก่อนเดือนนี้เชื่อก่อนอย่าไปคิดถ้ไปคิดอย่างนั้นมันไม่ทํากับเรื่องของที่หลือพอมันเคยโกโหกพวกลมเรามาอยู่แต่ถามขี่นี้ไม่เหมาะดีไม่ดีใครี่นั้นเะไจะทํากันอย่างแข็งขันจริงจพอไปถึงขี่นั้น มันบอกไปที่อีกเลยวิ่งวุ่นทั่วโลกเลยไม่เอาดีเอาดีเลยตั้งเสติทำความเพียรสักทีนี่แกวิ่งไปตามความคิดความปรุงของจีเดตปัญหาจิตใจกว่าเลยไม่เห็นไม่เต็นไม่ดีไม่เด่นให้หนีชื่อการเสื่อใจเสี่ยจริงหลอกลวงอารมณ์สัญญาของส่วมันเจนอย่างนั้น ฉะนั้นพวกเราท่านที่มุ่งมั่นมาปฏิบัติปฏิบัติชวงกำหนดที่นี่ที่ใจมนาะรักษาจิตของตัวทำไมจึงรักษาจิตเพราะจิตของเรายังมีพิษมีภัยนีโรคอยู่จะต้องรักษาโรคอะไรโรคที่เลอปัญหาโรคโวดหลงบันยังทวกทับอยู่ในจิตในใจ จึงต้องขับไล่ต้องรักษาด้วยยาคือธรรมะคี่พระพุทธเจ้าทรงสอนจะ ก, กําหนดอะไรกําหนดลงไป ใ, ใจหยุดใจนี่อยากพิจาราอะไรกดพิจาราไป <c oughs> เพื่ออาจเพื่อธรรมอย่ากพิจามาไปในทางกิเลสอยากพิจารณาไปทางกิเลสมันเกิดขึ้นได้อารมณ์เส้นญาิีพานไป นมนานเป็นผิดผิดปีกว่าตามค่ะอารมณ์ทางลาะมันจะเกิดกำหนัดยินดีบา้บาบา้าบอๆขึ้นค่ะอารมณ์ทางโกรธมันก็จะโกรธขึ้นว่าการนั้นขาวนั้นเ ข, า, นนขามาด่ามาว่ า, าวมาทุบมาตี้มาหญ่มายันล้วอย่างนั้นอย่างนี้ยิตใจคิดไปแล้วเกิดความโกรธขึ้นมันบ้ามันบอกขนาดนั้นจิตใจของพวกเราทา่าน มันจึงต้องควรรักษาที่เจรณาโดยธรรมะการสาธิตปฏิบัติธรรมะ จ, งะรรมะจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนควรสนใจความสุขอื่นใดจะสุขเท่าจิตใจรู้เห็นจนธรรมะไม่มีเมือ่อเราทราบอย่างนี้ก็ลงมือปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตากำหนดที่นี้ที่เจรนาต่างหน้าต่างสร้างบริสธรรม ตามการตามเวลาที่เหมาะสมไม่อย่างนั้นจิตใจก็จะไม่มีวันสงบรึงั้นไม่มีวันจะรู้ใจเห็นอัดทำเมื่อไม่เห็นไม่เป็นในตัวก็ไม่เชื่อใครจะพูดขนาดไหนจะสอนขนาดไหนมันก็ไม่เชื่อเพราะมันไม่เห็นไม่เป็นในตัวถ้ามันเห็นมันเป็นในตัว มันเชื่อเหมือนคนตาดีเขว่าสีนั้นเป็นอย่างนั้นสีมีเป็นอย่างนี้ตามันมีมันมองเห็นมันก็เชื่อถ้าคนบอดหรือูเขาลูกนั้นมันสูงนะวันนี้ตะวันมันแจ่มใสดีมันมองขึ้นไปที่ไหนมันก็ไม่เห็นเพราะมันบอดมันมืดมันเป็นอย่างนั้นมันก็มเกี้ยวคำนวณตามในเห็นจริงในจิตในใจ ใี่ทำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสาวอไว้ถีงสมาธิปัญญาวิชาดีมุดและเคยได้ศึกษาตำลับําลามาแตจิตใจทั้งเราจะไม่เข้าถึงท่านเห็นจริงจังมันจึงเกิดสงสัยถ้าหากมันเห็นมันเจนในเราถึงจะไม่สมมติอย่างนั้นมันก็เข้าใจอยู่ภายในตัวของตัวว่ามันเจนอย่างไร หยตดใจกว่าวุ่นขวนมัวเรือสงสงบระงับอย่างไรหยิดใจจะเริยนเรื่อเสื่อมเรือหมดทุกถึงทุกอย่างไปไม่มีอะไรที่จะละจะบำเพนอีกมันฟาพอดูจิตท้องตัวจริงๆนาเกียวข้องอย่างไรมันเห็นมันเห็นถ้าไม่ดูละ มันไม่เห็นจะไปดูแต่สิ่งภายนอกจิบท้องตัวไม่ดูมันก็ไม่รู้ไม่เห็นให้ต้องดูจิต ด, ดูใจ ท, ท้องตัวธรรมะเป็นโอปัญญายิยโปโนมเข้ามาที่ใจนาภายในอย่างนั้นลงไหลไห ว, วยฝันอย่างนั้นมืดมันบอดเราทุกคนมีสติมีปัญญาพ อ, อุอ น, นี้น้อมสั่งสอนตัวได้ไม่ใช่เรา บ้าเราบ่อเราเสียจริตอะไรเพราะจะทีนี้พี่เจนาให้รู้เห็นในธรรมะได้ถ้าเรานำธรรมะมาพี่เจนาสอนใจแบบยืนบ่าเดินบ่าหนั่งบ่านอนไม่ว่าไปสถานที่ใดธรรมจะต้องเกิดขึ้นกับใจข้องสัวนปัญญาเกิด ขึ้นจากการระับรับฟังกับเกิดขึ้นจากตัวของตัวผู้แต่ปฏิบัตินั้นมันเป็นคนละอันละอย่างจิตจังมากรสชาติหรือเหวี่ยงรา้วมันจะทับกันเข้าถึงเราเคยได้ยินได้ฟังแต่มันไม่เห็นไม่เปนในเรามันก็ยังไม่ประทับใจมันยังไม่แก่มใ้ยังไม่เป็นกินให้ถ้ามันเกิดมันเห็น มันเจนในเราสิ่งนี้เราเคยได้ ย, นดยินมาแล้วได้ฟังมาแล้วครูอาจาย์ท่านเคยแนะสอนพอเกิดขึ้นจากตัวของตัวตัจริงมันเป็นอย่างไรทราบดีไม่มีอะไรที่จะสงสัยนี่คือการสร้งรวมระวงะังรักษาใจท้องตัวถาดูอยู่บ่อยๆเหมือนกันกับเราดูเราจะเดินไปที่ไหนเราดู การโดนหลักโดนต่อตกลุมตกบ่อมันต่ำน้อยไม่เคยจะมีโอกาสเพราะเราดูรเรามีสติจะเหยียบย่างไปที่ไหนก็ดูก่อนว่ามันมีอันตรายหรือไ ม, ม่นี่ถต่เราดูใจของเราจิตชิดจิตจิตชิดูวกเราก็สร้างดยิตดีจิตชักก่วเราก็้าดจิตสะอาดจิตสกปรกเราก็สร้าดนี่ในดูจิตดูใจของัักทีเราจิต วุ่นวี่วุ่นวายฟุงคิดไปเรื่องนอกมันก็เลยไม่ในสงบสงัดให้มันก็เลยไม่สุ ก, สมก ไ, มสไม่สบายให้เลยวุ่นวายสายแสไปตามสายแสของโลกข่าที่นี้พใจารณาธรรมะแล้วทุกถึงทุกอจ่ามันพอสอนใจได้มันเป็นธรรมะผัวไฟ ไม่ว่าดินฟ้าอ า, ากาศไม่ว่ารูปเสียงกิ่นรถหรืออะไรทั่วไปในโลกในจิตของเราไม่มีธรรมะจิตของเราไม่เป็นธรรมะเห็นอะไรก็เลยไม่เป็นธรรมะให้อ่านตำราธรรมะฟังเรื่องธรรมะก็เลยไม่พอใจยองศึกษาจงต่างหน้าปฏิบัติธรรมะที่บ่งบอก เอาไว้ก็คือใายคือใจพวกเราทุกคนมีอ hmm. ยู่ด้วยกันศึกษาได้เมื่อสราบเรื่องกายเรื่องใจของเราถั่วถึงแล้วโลกอันนี้มันไม่มีอะไรที่จะสงสัยจนโลกวิทูแก้งอยู่ในจิตในใจท้้งตัวสัวดีต่างๆมันเกิดขึ้นจากที่นี้ มันหมดทั่วดีคนใจจับสมมติจาาที่เหตุกันหาเป็นอย่างไรพอมีทางท่องสายเพราะเราเคยปฏิบัติใจมามันเปลี่ยนเป็นอย่างไรมันเจริญเป็นอย่างไรมันถอนเป็นอย่างไรมันรวมเป็นอย่างไรทราบกันมาแล้วแก่เงินหมดทุกสิ่งทุกอย่างไปมันเป็นอย่างไรมันกบไม่มีทางท่องสาย จึงม่มีการหาพอเราเห็นจึงมีการอยากพอเราอิ่มการละกำลังเพลนของจิตหมดไปพอตัวเอมาทุกสิ่งทุกอย่างครอบครอบทั่วถึงมันจึงมมีการสงสัย นี่คืออนิสงส์การปฏิบัติจิตใจไม่มีอะไรที่จะสุขจะไปเสด็จเข่าจิตใจของเราิีขเข่าถึงอังอตธรรมที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นแล้วก็ไม่มีการสงสัยว่าความบริสุทธิ์นี้มันมีหรือไม่หรือพระพุทธเจ้าบริญิทานไปมรรคผลหมดตายหม ด, มดมสมัย นไม่มีอะไรที่จะสงสัยเพราะเราเห็นเราเป็นจากการจะทําบําเพ็ญดันั้นขอทุกท่านจงต่างหน้าต่างๆนําไปที่นิ้พิจาณาศึกษาปฏิบัติปฏิบัติความสุขความเจริญที่เราไม่เคยเกิดเห็นเจนขึ้นกวชคอยจะเกิดจะเห็นจะเป็นขึ้นโดยการขยันหมั่นเพียรการจะทําบําเพ็ญ ในอดในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสังสอนจะมีอะไรสงสัยเป็นปัญหา้องใจส่อไปกาปรปฏิบัติจึงเป็นกุญแจส่วสําคัญที่จะเปิดมักเปิดผลขึ้นในจิตในใจของตนไม่มีสิ่งอื่นไม่มีคนอื่ น, น, นจะมาแต่ทมบาเพ็ญให้นอกจาก ตัวของเราจะปฏิบัติกายใจของเราต่นั้นแต่นั้นขอทุกท่านจงลงมือต่อเพืดอปฏิบัติแต่ความสุขความเจริญแต่ตัวของตัวการปฏิบัตธรรมนี้ก็นว่าพอสวนเวลาเขาิตเพืนอนีัน